เพราะฉะนั้นเมื่อโยมได้รู้จักพระธรรมแล้วโยมจึงได้รู้จักวิธีสร้างกุศลก็คือเมื่อได้วัตถุทารแล้วโยมก็จะน้อมนึกถึงว่าการที่โยมจะสร้างกุศลนี้เป็นเพราะว่าโยมได้รู้จักพระธรรมและพระธรรมนี้ได้มาเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นเหตุให้ได้พระธรรมแล้วก็โยมโชคดีที่ได้มีโอกาสอยู่ในพบนี้ในขณะที่ยังมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ แล้วโยมก็จะถวายทานนั้นแด่พระสงฆ์ซึ่งถ้าตอนนั้นนึกทันโยมก็จะนึกว่าโยมกำลังถวายแด่ปฏิคา6ผู้มีศีลแล้วโยมก็น้อมถวายไปขณะที่ยื่นออกไปนั้นโยมก็นึกสละเลยว่าโยมถวายแล้วและจิตมันก็ตัด แล้วก็บางครั้งโยมก็ลืมบางครั้งโยมนึกได้โยมก็จะเห็นความปิติเกิดขึ้นแล้วคิดถึงขบวนการทั้งหมดอีกก็ปิติอีกแต่ทั้งหมดก็รู้อยู่ในใจเลยว่าที่ได้ถวายอย่างนี้เพราะว่าโยมโชคดีที่อยู่ในยุคที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเจ้าค่ะแล้วก็เรื่องกรรมและผลของกรรม ก็บางทีก็นึกได้บางทีก็ไม่ได้นึกเจ้าค่ะบางทีก็นึกแล้วก็รู้สึกว่าเอมันโลภะไหมที่เรานึกถึงว่ามันจะมีผลตามมาแต่จริงๆแล้วเวลาที่สละปุ๊บ <c oughs> เวลาที่ทำอาการสละทางใจปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกถึงความสุขที่เกิดขึ้นในใจแล้วมีอยู่บางครั้งถ้าหากว่าจิตมันเป็นสมาธิพอมันก็จะรู้สึก ฟูขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเรามีทรัพย์มากขึ้นซึ่งไม่รู้ว่าคิดเองหรือมันเกิดขึ้นเองเจ้าค่ะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นบ่อยมันเป็นเฉพาะช่วงที่มีสมาธิหรือช่วงที่ไม่ได้คิดจะไปทําอย่างอื่นเช่นนั่งเฉยๆในธนาคารแล้วก็น้อมนึกเป็นอัปปลาภะเจตนาก็จะมีสมาธิอันนั้นดีเพราะว่าไม่ต้องไปทําอย่างอื่นนะเจ้าค่ะ <c oughs> ทำทำปุพพะเจตนายังไงก่อนก่อนนะเจตนาก็ ถ้าบุญปัจเจาที่ก่อนการทำทานนานก็จะรู้สึกเหนื่อยแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องขนข่ายไปแต่ว่าพ อ, อาสักครู่หนึ่งก่อนทํเนี่ยก็จะทำใจให้สงบให้นิ่งให้มีสมาธิน้อมไปในสิ่งที่กำลังจะทำก่อนนะเจ้าค่ะแล้วก็ขณะที่เดินทางก็จะคิดว่าเราโชคดีที่เรากำลังจะได้ไป สร้างกุศลในพระศาสนานี้เจ้าค่ะคือคือคือจริงๆในกระบวนการของความคิดอาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้ใช่ไหมเดี๋ยวโยมขออนุญาต่อใหด้วยไหมเจ้าค่ะโยมมักจะไม่นึกถึงพบนี้แต่ว่ามักจะนึกถึงว่าเพื่อความสิ้นภพชาตินะเจ้าค่ะก็แน่นอนก็ ทานกุศลต้องปรารถนาอย่างนั้น เ, เป้าหมายจริงๆก็คือเพื่อต้องการต้องเพื่อต้องการสิ้นสิ้นจะพบชาติเพราะจริงๆแต่ว่าปรารถนาสิ้นจะพบชาติแต่ความมีพบชาติที่สมบูรณ์ก็เป็นผลของทานกุศลแต่อนุญาตไว้ในฐานะที่มีศีล น, น ะ, ะไม่ใช่อนุญาตไว้สําหรับผู้ที่ทุศีลตรงนี้ก็คือว่าถ้ามองอย่างนี้ก็คือกลุ่มหมหากุศล กลุ่มอโลพาชัดขึ้ น, นใช่ไหมอโลพะเนี่ยเพราะเป้าหมายทั้งหมดเพื่อจะให้ตัวนี้เกิดก่อนทำไมตัวนี้ต้องเกิดเพราะกิจของทา น, นกุศลเขาทาลายตัวนี้พอโลพาถูกทำลายมากขึ้นอโลพะเด่นขึ้น จากผลของอโลพาเด่นขึ้นโลพาลดลงมัชริยะถูกทุบไปด้วยสิ่งที่เกิดยากที่สุกคือตัวนี้ในเวลาทานกุศลกรรมสักตาสัมมาทิฏฐิเนี่ยตัวปัญญาที่ไปรู้เรื่องกรรมและเข้าใจผลแต่ว่าขับรถถ้าจะไปโคราชหรือขับโคราช ที่จะมากรุงเทพพอหันหัวรถปุ๊บสตาร์ทเครื่องปุ๊บพอขึ้นไปนั่งปุ๊บแล้วก็รถเริ่มบินรู้รู้เป้าหมายที่จะมาถึงไหมแต่ทำไมให้ทานปุ๊บทำไมไม่เห็นเป้าหมายในนาคตเนี่ยมันคืออะไรนี่เ็าเรียกไม่เหตุกับผลยังไม่สัมพันธ์กันตัวนี้ยังไม่ค่อยทำกิจความชนานาญยังไม่ค่อยเดิน ใช่ไหมโยนสร้างกุศล ก, กับเดี๋ยวนี้สร้างกุศลต่างกันอย่างไรมีตัวอย่างอันนึงก็คือสมัยที่โยนยากจนมากนะเจ้าค่แล้วก็ในกระเป๋ามีกระตังอยู่สักประมาณ2000ซึ่งเป็นสตางค์ที่จะต้องดูแลลูกแล้วก็ดูแลรถแล้วก็ดูแลคนใช้แล้วก็กับข้าวมีแค่สองพอ่าแต่ว่าแม่สามีเขามีความจําเป็นจะต้องใช้สตางค์เขาก็คุยกับโยมแล้วโยมก็ ก็ให้คือต้องคุยในกระเป๋าคุยไปคุยมาก็ได้ไปพันห้านะเจ้าค่ะเขาก็เห็นอยู่ว่าโยมคุยคุยอยู่เสร็จแล้วเขาก็ถามโยมว่าเขาโยมมีเงินใช้ต่อไหมโ ย, ยมมีไหมเ้าก็รู้ว่าโยมจนเสร็จแล้วโยมก็บอกว่ามีเขาก็ชะงกมาดูในกระเป๋ามันมีแบงค์ห้าร้อยอยู่ก็าถามว่าพอเหรอโยมก็บรยักหน้าบอกเดี๋ยวโยมไปขอเขาใหม่ซึ่งในใจแล้วก็รู้ว่าเขาคงไม่ให้แล้วโยมก็จะต้องถูกเขาว่าด้วย ไปขอเงินเขาอย่เลยเจ้าค่ะแต่ละโยมก็ตัดให้แม่สามีไปในใจตอนนั้นมันมีความเมตตาแล้วก็มีความกรุณาเขาอยู่เจ้าค่ะแล้วก็ให้เขาไปในขณะที่อีกไม่กี่ปีต่อมาเนี่ยพ่อสามีเขาก็โทรมาหาโยมว่าอยากจยให้โยมช่วยพูดให้เขาอยากได้ตึกแถวมูลค่าสามล้านห้า เขาอยากได้อันนี้ไว้จากสามีโยมเพื่อเขาจะได้มีมรดกให้แก่ลูกชายคนเล็กของเขาให้โยมช่วยพูดกับสามีให้โยมก็ช่วยพูดให้แต่ว่าการพูดให้ในสองครั้งเนี่ยก็คือเมื่อโยมให้เงินไปมูลค่าพ ,500 บาทนี่มันติดตาติดใจแล้วก็มีความสุขมาจนทุกวันนี้ว่าเราได้ให้เขาเทียบกับการที่โยมให้3ามล้านห้านั้นก็เงินคือโยมเหมือนกันแต่โยมไม่เกิดความปลื้มใจหรือประทับใจสักเท่าไหร่ มาเทียบกันแล้วตอนนี้มาวิเคราะห์ดูว่าเป็นเพราะอะไรเมื่อกี้โยมก็เลยนึกได้ว่าการที่โยมขอสามล้านห้าจากสามีเพื่อให้พ่อสามีเนี่ยมันเป็นไปด้วยโทรศัอ่อนๆเป็นไปด้วยโลภะเพราะเราอยากจะให้เขาให้เห็นว่าเรามีใจที่จะให้เขาได้เป็นต้นแล้วโยมจะบอกสามีว่าโอเคเรามีมือมีขาเราไปทําใหม่ก็ได้แต่เราควรจะให้เขานะเพราะว่าเขาจะได้ภูมิใจก่อนที่เขาจะตายว่าเขามีมรดกอเลเ็ก ก็จะนั่นเป็นไปด้วยความโลภะอ่อนๆแล้วก็โทสะเจ้าค่ะขนาดที่ให้แม่แม่สามีนี่ให้ด้วยเมตตากรุณามันทําให้มีผลมากกว่ากันโยมคิดอย่างนั้นเจ้าค่ะ ค, คือตรงนั้นน่ยมันเป็นสภาพที่เป็นกุศลแท้ ก, <อ>กับกกุศลที่มีอกุศลเจือปนอ่าเจ้าค่ะน ะ, ะสภาพของอกุศลที่มาแวดล้อมเยอะอ กับสภาพที่เป็นกุศลที่มันเป็นลักษณะการสละอย่างแท้จริงเพราะการสละอย่างแท้จริงตรงนั้นสภาพอย่างนั้นต้องเอามาปรุงแต่งให้เกิดขึ้นกับบุญชนิดอื่นทางชนิดอื่นในปัจจุบันพบฉะนั้นมันสามารถที่จะปรุงแต่งให้เกิดได้เราจะรู้จักยังไงการรู้จักสภาพจิตที่เป็นกุศลอย่างแท้จริงตรงนั้นแหละ น, นั่นแหละที่พยายามให้ให้เข้าใจฉนั้นสิ่งต่างๆตร ง, งนี้ที่เราทั้งหลายจะต้องเดินเดินให้เกิดความเข้าใจสภาพจิตที่เป็นกุศลจริงๆก่อนที่จะสละ แน่นอนแน่นอ น, อ น, นนะต้องปรุงแต่งจิตตรงนี้ให้เกิดก่อนให้เข้าใจก่อนเป็นปุพระพเจตนานะให้เกิดะนะปุพระพเจตนาต้องเกิดไม่ใช่ว่าให้ไปแล้วมันมันสภาพกุศลมันเดินได้ไม่สะดวกเลยเงี้ยก็เพราะว่าการที่เราไม่รู้จักหน้าตาของกุศลที่ชัดเจน ฉะนั้นการที่รู้จากหน้าตาของกุศลว่ามีปีติประกอบมีมีมีอารมพะความไม่โลภมีอโทศะความไม่ประทุษร้ายอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นใช่ไหมก็คือไม่หงุดหงิดไม่ฟุ้งซ่านเกิดขึ้นและในขณะเดียวกันเนะี่ยถ้าไปรู้ถ้าตอนนั้นนันได้ประทับใจแต่กรรมกรรมไม่ชัดหรอกอันนั้นขนาดสภาพปัญญาไม่ได้ไม่ได้เกิดนะนะั่นนยไม่รู้จักเลยไม่รู้ จ, กจ<า>กักด้วยซ้ำไปถ้าสภาพปัญญาที่เกิดเน่ยจะเข้าใจมากกว่า น, นั้นว่า เราได้ประกอบกุศลกรรมใช่ไหมที่มีการสละสิ่งที่ทําได้ยากซึ่งเราชนะสงครามที่ชนะได้ยากคือตเนียเป็นมวลทินของจิตเราสามารถทําลายมวลทินของจิตคือความตเนียเสียได้เราทบมวลทินของจิตเนี่ยนะทำลายไอมวลทินของจิตได้ที่ทําให้จิตนั้นเศร้าหมองเป็นต้นได้โลพาทโทสะก็พลอยอ่อนแอหมดกําลังลงด้วยนและในขณะเดียวกันสภาพจิตอย่างนี้ยก็เอามาเจริญเอามาไขา้ครวนต่อนะทำให้เกิดขึ้น ด้วยบุญชนิดใหม่ใหด้ ว, วัตถุทานชิ้นใหม่ด้วยขณะใหม่ด้วยการปรุงแต่งจิตใหม่ๆโดยเอาสภาพใจที่เป็นตรงนั้นนอะมันไปข้อเปรียบเทียบตรงนี้มันก็เดินได้กระสะดวกขึ้นแต่ให้มันมากขึ้นกว่านั้นคือรู้กรรมและผลของการกระทําด้วยและผลที่จะเกิดในอนาคตใช่ไหมเราไม่ใช่คิดเพื่อให้เกิดโลภะแต่คิดให้รู้ว่าสร้างเหตุมันก็ต้องได้ผล เหตุสมบูรณ์ผลก็สมบูรณ์แต่เป้าหมายจริงๆคือการสละโดยไม่มีส่วนเหลือโดยการไม่ติดข้องใช่ไหมเป้าหมายคือพระนิพานพานไงเพราะการให้เนี่ยคือเราปรารถนาการสิ้นอาสวะกิเลสใช่ไหมปรารถน า, พ, า, น พ, านพระนิพพานพระบรมศาสดาถามบอกว่าท่านกุศลเนี่ยทำให้ได้อะไรทําให้ได้มนุษย์สมบัติทําให้สักกะสมบัติมารสมบัติพรหมสมบัติสาวกะโพธิญาณปเจกโพธิญาณแล้วก็อภิ สมโพธที่โพธิญาณใช่ไหมฉะนั้นโพธิที่ทั้งหลายเหล่านี้ได้มาด้วยทานอกุศลเป็นต้นเหล่าเนี้ยเป็นทางเดินของพระโพธิของพุทธเจ้าเป็นวงของท่านเราได้เดินเข้าสู่วงของท่านแล้วเป็นบุญญาลาภของเราแล้วไหนเราเป็นอุบาสกอุบาสิกาของพระผู้มีพระภาคเจ้าทําไมไม่เดินตามวงของท่านเ่าใช่ไหมทำไมไม่เดินตามวงของท่า น, ไมไม เ, น, าานเรามาเดินออกนอกวงอยู่เรื่อยเราก็ทําไม่สมควรเลยเงี้ยก็ใคร่ครวนไป ตอนนี้เรากําลังเดินเข้าสู่วงของพระอิยาเจ้าทั้งหลายแล้วเราได้ให้ทานถูกแล้วเราน้อมใจเป็นใจแล้วนี่น้อมกระตุ้นเถิดอยู่เขาเรียกปลุกแล้วคุณจรทมไหมปลุกแล้วคุณธรทรำรรที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นสังขารธรรมอ่ะมาจากการปรุงแต่งไหมมาจากการปรุงแต่งไม่ใช่อยู่เฉยเฉยเดี๋ยวมันเกิดเองไม่ใช่เลยไม่มีหรอกไม่มีเกิดเองเราต้องให้เหตุปจัจจัยทังเกิดทั้งนั้นแหละเดี๋ยวเครื่องติดแล้วเจ้าค่ะ เครื่องต็ดแล้วเมื่อวานนี้เป็นตกว อ, อย่างแย่ๆนะเจ้าค่ะก็คือโยมนั่งแท็กซี่กลับบ้านแล้วก็คุณนกอุตส่าห์ให้ขนมเค้กโยมชิ้นหนึ่งเพราะว่าโยมบอกว่าอันนี้อร่อยคุณนกก็เลยให้ไปโยมบอกว่าอ น, นี้อร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินมาคุณนกก็เลยอุตส่าห์ยัดใส่กระเป๋าไปพอนั่งในแท็กซี่ปุ๊บเห็นแท็กซี่ทํางานเออเราคิด ว, ว่าเดี๋ยวเ้าคงจะหิวขับรถขับรถไปก็ก็ในใจพอเห็นกระเป๋าพอเห็นขนมเค้กปุ๊บ ยังไม่ทันได้ใคลครวนให้ดีหยิบแล้วก็ให้เลยเพราในใจรู้สึกว่าไม่อยากแก้ให้ไม่อยากแก้ให้ว่ามันอร่อยมากที่สุดแต่ว่าตัดแล้วก็ให้อย่างเงี้ยรู้สึกมันไม่ค่อยดีเจ้าข่ายใหญ่มันไม่ค่อยขาดเหมือนกับว่ามันยังมีเยื่ออยู่คือตรงนั้นตรงนั้นอ่ะตรงนั้นอ่ะมันให้ด้วยโทสะใช่เจ้าข่ามันให้ได้โทสะงั้นการตรงเนี้ยโอกาสดีแล้วกับพิจารณาไม่เป็นใช่จ๊ะ สั่ไหมจากนั้นต้องมาไข้ควรพิจารณาดูอี่ไหมเห็นให้เห็นสภาพใจที่หวงใช่ไหมว่าโอ้นี่เห็นไหมเนี่ยเราจะต้องชนะสงครามที่ชนะได้ยากกวันนี้แหละแล้วจะต่อสู้กันกับเสนามานกองทัพมารพญามานเนี่ยนะไม่ได้เราจะเป็นทาสของพญามารอีกต่อไปไม่ได้แล้วใช่ไเราจะเป็นทาสของตัวอิมัชชริยะซึ่งเป็นหนึ่งในเสนาแมนไม่ได้แล้ว นั้นเราจะต้องชนะก็ได้ตอนนี้อยู่ระหว่างสงครามการสู้รบกันแล้วก็ดึงกุศลจิตขึ้นไม้เกิดความภูมิใจใครควรไปเรื่อยๆใครควรไปเรื่อยชนะโอ้ยขาดแล้วเราจะไม่เป็นทาสของความตันอีกแล้วน้อมให้เลยนี่เราได้ทําสิ่งที่ให้ได้ยากแล้วยายมันยังอยู่พอให้พูดสั้นด้วยเนี่ยตรงนี้แหละเริ่มจะมองเห็นมุมไม่ยัง ว่าอย่างเราเนี่ยมันต้องให้แบบนี้ถึงจะเข้าใจทานกุศล<ช>คือมันต้องให้แบบประเภทหน้าสิวหน้าขวาอย่างนี้แหละอาจบอกว่าให้ดีๆให้อะไรนะให้ของที่เรารักให้ของที่เราลักให้ปิยาทานาทานางปิยาทานเจ้าค่ะเมื่อวานนี่เรียนปิยาทานนางก็เลยเอาขนมเค้กนี้ชิ้นนี้ชอบมากดีมากให้ไปเลยเรียบร้อยยายมันยังอยู่เจ้าค่ะนั่นแหละไอ้ตัวนั้นความยึดโยงมันยังอยู่เลยไม่ค่อยได้ความเพื่มใจเลยคิดทีไรแหมตอนนั้นถ้าขาดใช่ไหม ทั้งทงที่ของก็ให้ไปแล้วต้องเอาใหม่แต่ว่าตอนนี้เรามาทาอั ป, ประลเจตนาได้ทำไ ด, ไไดนน้ไม่ใช่เราทำอั ป, ปราลเจตนาได้โดยการว่าก็าให้ไปแล้ว <c oughs> มันหมดไปแล้ว <c oughs> มันไม่ได้กินแล้วมันไม่ถึงรสชาติของมันอร่อยอย่างนี้ เห็นไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยกิจของโลภะกิจของอโลภะกิจของทานกุศลไม่ได้ทำลายโลภะและก็ไม่ได้ตัดตัวมัจฉริยะล้วก็จะเห็นสภาพใจตอนนั้นเลยว่าไม่สุขใจจริงไม่แช่มชื่นจริงไม่ปลาโมดจริงและไม่ใช่กุศลตอนจะลงจากรถอย่างหาันแบบน้องอย่าลืมกินนะอร่อยนะไม่ได้เสียดายแต่อยากให้เขา อ ย, อยากสลัวเขาจะไม่กินนะนี่นี่มีอีกก็คือเ <ett> ดี๋ยวพอไหนไหนพูดแล้วเครื่องติดก็คางรณีสุดท้ายเอาก็คือตอนที่โยมลองลองหัดสละนะเจ้าค่ะแล้วโยมรู้สึกว่ามันมันน่าจะเหมือนกับใ้ตอนที่โยมอ่านในในปฏิสันทิธาะจ้าค่ะเลยต้องพูดเข้าไหมดิ ม, มันม น, น่าขณะที่โยมทาน้อมใจที่จะสละเนี่ยเจ้าค่ะสละแล้วตัดไปเนี่ยมันโยมคิดว่ามันน่าจะมีอาการคล้ายๆกับที่โยมไปนั่งอ่านในปฏิสัมพิธามักหรือในในวิสุทธิมักที่เป็นนับปกเป็นองค์คุริมาเนะเจ้าค่ะตอนที่คล้ายๆกับ การหาฝั่งอะไรประมาณนะั้นหรือเปล่านะเจ้าคะ่ะมันน่าจะคล้ายๆกันไหมโยมก็ไม่แน่ใจเจ้าคะ่ะแต่หมายควาว่าการให้ก็คือการในความเข้าใจของโยมนะเจ้าคะ่ะหมายความว่าการสละของนอกตัวที่ไม่ใช่ตัวของเราซึ่งปกติเนี่ยเราจะเป็นคนหวงตัวของเราเองอย่างเช่นเห็นในปฏิสนธิโลภัสโชนะ นิกนติโลภะชวนะดวงที่หนึ่งอันนั้นหมายความว่ามันเป็นโลภะเป็นความหวงไว้ซึ่งชีวิตของเราเองหรือว่าถ้าใครจะมาตัดแขนตัดขาเราเราก็หวงเอาไว้หรือแม้แต่ไสเดือนถ้าเราไปจับเขาเขาก็จะงอตัวหรือหนีเพราะว่าเขาหวงชีวิตของเขาหวงขันห้าของเขาแต่ว่าในการที่โยมคิดว่าการที่โยมหัดฉละของนอกตัวไปเนี้ยมันเป็นการหัดตัดออก หัดโยนทิ้งเหมือนกับคว้างลูกอะไรนี่เจ้าค่ะหัดโยนทิ้งเพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงขันของตัวเองเออมันก็จะมีความชำนาญขึ้นในการโยนทิ้งซึ่งในที่สุดแล้วมันก็จะเข้าลักษณะของการหาฝั่งที่โยมอ่านเจอในวิสุทธิมรรคหรือในปฏิสัมพิธามรรคนะคะมันก็คือการปัดตัวเองทิ้งไปเรื่อยๆปัดขันหโยม คิดว่าอาจจะเข้าคายอย่างนั้นหรือเปล่าเจ้าคะก็มันตัดของเนี้ยอันนี้สักวันหนึ่งมันก็ต้องเสียเพราะฉะนั้นโยมตัดสัวันนี้แต่ว่าอันนี้มันเป็นของที่ตัดยากอย่างตัดนิ้วโยมโยมก็ตัดยากเพราะฉะนั้นไอการตัดนอกตัวตัดยากตัดง่ายๆตัดไปก่อนจนกระทั่งถึงไม่ที่สุดตัดอันนี้อ๋อก็จริงว่าวัตถุจริงๆก็คือว่าท่านดูทานของโหติศัสตร์ก็คือว่า ท่านให้ให้วัตถุทานภายนอกจนในส่นจริงท่านรอบรู้ว่าเป็นวัตถุทานจนชัดเจนขึ้นพอมาดูขันภายในท่านก็สามารถสละได้นั่นเองเนะี่ยท่านสามารถที่จะให้ขันของท่านได้ให้ตาให้หูให้จมูกเป็นต้นหล่านี้เป็นทานได้แต่ว่าอย่างเราทั้งหลายที่พูดตรงนี้ขับเน้นตรงนี้ก็คือว่าอย่างเราเป็นการฝึกเบื้องต้นใช่หม เป็นการฝึกเบื้องต้นเท่านั้นนะที่จะให้รู้จักคําว่าสภาพของใจที่เป็นอโลภาที่แท้จริงที่เป็นไปกระทานกุศลก็เรียกว่าเจตนาทานเป้าหมายเพื่อทําให้อโลภาทานเด่นทีนี้สภาพของอโลพาทานเด่นนั้นเพราะว่ากิจของทา น, นกุศลเนี่ยเขาทำลายโลภาไงทำลายตัวยึดติดใช่ไหมตัวตั ว, ต, วตัวรักความยึดติดในวัตที่จริงเนี่ยถามว่าอย่างเมื่อวานที่โยม น้องพูดว่าขนมเค้กที่ได้ไปแท้ที่จริงในสภาพของขนมเค้กมันก็คือติดในสีบ้างในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสหรือสภาพอร่อยก็คือสภาพทำมาลมรสชาติหรือราสารมนั่นเองจริงจริงนะไม่เคยคิดหรอกมั้งว่าขนมเค้กที่ได้ไปเนี่ยจะทำให้สุขภาพแข็งแรงไม่ได้มองไปถึงตัวนั้นมัน้ง มองไปถึงราสาวลมเท่านั้นเองสรุปก็คือว่าตอนนั้นน่ะที่ติดที่สุดก็คือระสาวลมระศาตัญหามันแรงมากตอนนั้นน่ะแต่ทีนี้พอฟังเรื่องปิยะทานนางการให้ของที่รักไปใช่ไหมแต่การไข้ควร น, นั้นไม่ค่อยไม่ค่อยรอบคอบรีบตัดแดบใช้โถสะตัดพอให้ไปแล้วในความยึดโยงความห่วงก็ยังมีอยู่ที่ยังหันไปบอกเขาบอกว่าอย่าลืมกินนาน้องของอร่อยมากเนี่ย อย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะจริงๆแล้วใจเรายังมีเยื่อใยกับเขาอยู่เยื่อใยกับไอ้ขนมชิ้นนั้นอยู่เห็นไหมของไม่ําเบนต้องมีราคามากเลยแต่ของที่ชอบเหมือนยอมตุ้มบอกอาณาเนี่ยอาณาบอกว่าทีติดมากที่สุดตอนนี้คือเกี่ยวกับเรื่องของอาหารดีเหลือเกินเนี่ยเราจะได้ฝึกให้ทานตรงนี้แหละให้พ่อให้แม่ให้น้องให้ลูกให้หลานให้ให้เพื่อนจะได้รู้จักสละ สละบ่อยๆแล้วจะได้รู้จักสภาพใจที่มันเป็นอลโลภทานเสีทีแล้วต่อไปนี่นะจะเริ่มปรุงแต่งจิตเป็นพอเริ่มปรุงแต่งแต่งจิตเป็นต่อไปการสละสิ่งของไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องยากแล้วแล้วก็จะรู้สภาพจิตที่เป็นกุศลได้แข็งแรงได้ดีขึ้นพอจะมองเห็นไหมแล้วก็ฝึกตรงนี้ยอะของโยมต่างจากน้องๆนิดหนึ่งเจค่ะคือ <c oughs> ของนีน่ยินดีให้ร้อยเปอร์เซ็น แต่อดไม่ได้ต้องบอกเนี่ยมันอร่อยที่สุดในโลกเลยนะเนี่ยต้องทานนะกลัวเขาไม่ทานมันก็ไม่ใช่เชิงนะคะคืออย่า ง, งนี้เปลี่ยนมุมดีกว่านะ <c oughs> ต่อไปเนี่ยการที่จะพูดอย่างนั้นก็ไปพูดอีกอย่างได้ไหมพูดบอกว่าเหตุผลที่พี่ให้ <c oughs> เพราะพี่เห็นเห็นอะไร <c oughs> เห็นว่าทานกุศลนี่พระบรมศาสด า, สดาทรง ส, ร, สรรเสริญด้วย พี่ก็เป็นอุบาสิกาของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็เห็นคล้อยตามที่ได้ฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็เลยมีความเชื่อมั่นกรรมและผลของกรรมว่าทานเนี้ยเมื่อผลปรากฏเกิดทานทานกุศลคือลักษณะที่ว่ามีเจตนาทานพี่ได้สิ่งของเหล่านี้มาพี่ก็เลยมีอโลพาทานเกิดขึ้นคือไม่ติดข้องนในสิ่งของเหล่านี้แล้วก็มีปัญญามีความรู้ความเข้าใจว่ากรรมที่พี่ทําไปเนี่ย จะเป็นปัจจัยใการได้ภวะสมบัติและวิภาวะสมบัติใช่ไหมภาวะวิภวะสัมปติประยุตถานานเนี่ยคือได้ความสมบูรณ์แห่งสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมแล้วก็ได้ความสิ้นพบในการต่อไปเนี่ยเมื่อเห็นประโยชน์เห็นอนิสงส์อย่างนี้เบียเศ็จมีสัจทยะย่าทัฏฐานางังมีศรัทธาเชื่อมั่นในกรรมและผลของกรรมใ น, ในวัตถุทานตนัวนี้จึงปรารถนาที่จะให้น้อง เพราะพี่เชื่อตรงนี้และเชื่อว่าทานอกุศลเป็นทางเดินเป็นวงของพระพุทธเจ้าแล้วพี่ก็อยู่ในวงของท่านด้วยก็เลยเดินตามวงของท่านปฏิบัติตามตามวงของท่านด้วยแล้วก็เข้าใจกรรมและผลของกรรมอันนี้แต่เราจะพูดสั้นกว่านี้ก็ได้ใช่ไหมแต่เพียงว่าก็เข้าใจตรงนั้นน่ะอันนี้หมายความว่าอย่างยกตัวอย่างเนียเอามาดีกว่าทั้งนั้น มาอยู่กับพระที่ที่ท่านไม่รู้นข้อมูลเลยก็ให้ท่านบ่อยๆให้ท่านบ่อยๆท่านก็มาบ่อยๆก็เลยบอกท่านบอกว่าเอาเคยสังเกตไหมทําไมผมไปบินธบารตไปอะไรต่างๆทําไมมีวัตถุทานค่อนข้างเยอะแต่ท่านไปบินธบารตเหมือนกันไปที่เดียวกันเนี่ยท่านไม่ค่อยได้เท่าไหร่ท่านบอกเออสังเกตแปลกๆดีก็นี่ไง พอผมเห็นผลทานกุศลมันให้ผลแบบเนี้แต่จริงๆให้มาแบบเนี้เราก็ไม่ไม่เห็นจําเป็นต้องไปติดข้องเลยเนี่ยฉะนั้นเนี่ยจริงๆให้เขาด้วยแล้วก็ให้ข้อมูลถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะมีปัญหากับเราอยู่อย่างเนี่ยวันใดวันหนึ่งเราให้ของที่ไม่ดีเขาโกโรธเออกลับกลายเป็นา <laughs> บางทีเผลอเราแจกมากขึ้นมากขึ้นนะ่ะเข้ามาแล้วเอะอาวันนี้ทําไมไม่ให้ บางที่เราไปให้คนหนึ่งก็เอาไปให้คนนั้นทําไมเงี้ยมันก็เลยมามาจํากัดวิธีการของเราเบียดเสดเลยใช่ไหนการให้นอกจากจะให้แล้วค่อยๆให้ข้อมูลไปทีลเล็กทละน้อยดูสภาพคนเนี่ยดูสภาพแต่ละบุคคลไปแต่แต่ถ้ามีคนมีข้อมูลเยอะเราก็ค่อยให้เยอะแต่ถ้าคนยังมีข้อมูลน้อยเราก็ค่อยๆสังเกตไปแล้วก็ให้ข้อมูลก็ด้วยอย่างงี้ดีไหมแต่อย่างงี้ก็ยดีพอเราเห็นอะไรเห็นพ้น เอาวางเย okay. uh huh. ่าขึ้นอยู่กับผู้ที่รับนะฮะ <Okay. S 2> ว่าเป็นเป็นใครค่ะ <Okay. S 2> เพื่อความอนุเคราะห์เขาคืออยู่ในระดับที่ต่างๆกัน เพื่อให้ไม่รู้สึกหนายต่อการที่จะได้รับพระธรรมคำสอนเนเจ้าค่ะเพราะบางคนถ้าเรากราวเยอะแล้วเนี่ยเป็นเหตุแห่งการทำให้เขาเกิดปฏิกะขึ้นค่ะก็อาจจะต้องให้ในระดับหนึ่งอะนะเจ้าค่ะอย่างเวลาที่บางครั้งเนี่ยการที่ให้กับเพื่อนๆก็จะบอกเพื่อนๆ เ, เหมือนกันว่า ในขณะที่เกิดขึ้นระหว่างมีวัตถุทานผู้ให้และผู้รับนะฮะผู้รับก็ให้น้อมใจว่านั่นคืออันวิปาะ ท, ที่ตัวเองได้ส่งผลแล้วนะฮะส่วนผู้รับก็กำลังสร้างเหตุ ผ, ผู้ให้กาลังสร้างเหตุแต่ถ้าผู้รับเนี่ยน้อมใจเป็นก็กำลังจะเป็นผู้ให้ได้ด้วยคือให้ด้วยอะไรด้วยการหนึ่งรับ ถ, ถึงรึก ถ, ถึงผู้ที่ให้นะคะแล้วก็ ได้มีความที่ว่าอย่างผู้ให้เนี่ยผลจะไพ่โบ์ก็ต่อเมื่อผู้รับเป็นผู้มีศีลนะคะเพราะฉะนั้นผู้รับเนี่ยเขาก็สามารถเรียว่าด้วยคํานึงถึงวัตถุทานด้วยคำนึงถึงความกตัญญูมีความรู้สึกต่อผู้ให้เขาก็สามารถทําเป็นผู้รับ ที่ดีหนึ่งเข้าใจวิบากของตอนเองอันได้รับสองน่ารึกถึงความเมตตาจิตของผู้ให้นะฮะอันนี้กุศลจิตในเรื่องของผู้รับก็ได้เกิดขึ้นแล้วกุศลจิตอันนี้ข่าวคืออะไรคือหนึ่งความรู้สึก ยินดีมีความรู้สึกคําว่ายินดีในที่คือความรู้สึกที่ดีๆว่านึกถึงความเมตตาจิตของผู้นั้นประการที่1อีกประการที่1ก็เหตุแห่งการที่เป็นผู้รับก็ได้รู้ว่าน้อมใจว่าเมื่อเหตุเราอันที่เมื่อไหร่เราเป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์เช่นนี้เราก็จะพึงปฏิบัติเช่นนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเหตุทั้งเป็นผู้รับรับวิบากและเป็นเหตุแห่งการสร้างเหตุใหม่ด้วยเจ้าค่ะ ก็ก็ตรงนั้นก็อย่างที่ตอนนั้นมาไปให้โยมพ่อยมแม่แจกแจกของอามาเขาก็บอกว่าอ้โยมเนี่ยมารอกันนานเลยเนี่ยมาก็บอกว่ า, าก่อนจะรับของเนี่ยโยมสมาทานศีลงินก่อนดีไหมโ ย, ยมก็เออดีเหตุผลก็คือว่าทานที่ให้แกผู้มีศีลมีผลมากมีอานิสงส์มาก ก็ขอบขอบใจโยมทุกคนนะที่มีโอกาสมาให้โยมพ่อโยมแม่เป็นต้นเนี่ยได้มีโอกาสเจริญทานกุศลเพราะอาตมาเนี่ยเกิดมาในตระกูลที่ฐานะฐานะยากจนเห็นเห็นโทษของการไม่ให้ <c oughs> ก็เลยปรารถนาอยากให้โยมพ่อโยมแม่ได้เจริญทานกุศล <c oughs> และอย่างหนึ่งก็คือ ปรารถนาให้พวกเรานั้นเป็นผู้ให้ด้วยไม่รู้สึกเก้อเขินว่าเป็นผู้รับแท้ที่จริงทั้งผู้รับก็ต้องผู้ให้ก็ต้องขอบใจผู้รับด้วยเพราะถ้าไม่มีผู้รับผู้ให้ก็ไม่รู้จะเจริญกุศลอย่างไรฉะนั้นในงานนี้เราจะมาเป็นผู้ให้กันทั้งหมดดีไหมฉะนั้นก็คือว่าอีกผู้หนึ่งก็คือให้ให้ผลของทาน ที่พุ่ให้นั้นมีผลมากมีอานิสงส์มากฉะนั้นต่างฝ่ายต่างก็คือผู้ผู้รับก็กลายเป็นผู้ให้ได้ผู้ให้ก็กลายเป็นผู้รับเป็นต้นเห่านี้ไดนะ้แต่ว่าเนี่ยเรามาสร้างเหตุกันยมพ่อยมแม่สร้างทั้งหนึ่งก่อนจะให้ยมพ่อยมแม่ก็สมาทานศีลแล้วแล้วก็มีวัตถุทานอยู่แล้วสองเราก็ได้สมาทานศีลแล้วก็จะเป็นผู้รับ ฉคนั้นต่างฝ่ายสรุปแล้ววันนี้เรามาเป็นผู้ให้อีกฝ่ายหนึ่งก็คือให้ผลของทานกุศลมีผลมากมีอนิสงส์มากอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าผู้ให้ก็ได้ผลจากการที่ได้กระทําก็มาสร้างบุญกุศลร่วมกันและในขณะเดียวกันเมื่อแจกของเป็นเสร็จอย่าเพิ่งกลับนะให้อุทิศส่วนกุศลที่เกิดขึ้นจากการกระทํานี้ร่วมกันเอามาก็นําอุทิศส่วนุเนี่ยนะนําอุทิศส่วนกุศลเลยแล้วก็ ให้ข้อมูลบ้างเลยบ้างเพราะเราให้มากก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะเขาก็ให้อย่างเฉพาะให้รู้จักพื้นฐานเบื้องต้นอย่างนี้นะปีข้อมูลน่ยนะคะ <c oughs> แล้วเขาจะรู้สึกการรับของเขาเนี่ย เ, เป็นผลกุศลของเขาเขาเข้าใจ <c oughs> ไอ้ความรู้สึกที่บางครั้งเนี่ยบางคนจะมีความรู้สึกเอ๊ะทำไมเราต้องเกิดเป็นผู้รับเนี่ยเขาจะรู้สึก ต่ำต้อยแท้จริงแล้วเป็นเพราะผลกุศลที่เขาได้กระทําไว้นะคะคือในการให้กับการรับครั้งหนึ่งๆเนี่ยมันได้ประโยชน์สมบูรณ์ในการทุกฝ่ายเลยเจ้าค่ะและที่เอามาพูดคํานั้นเพราะอะไรเอามาเห็นยอมหลายคนนั่งนั่งน้ําตาซึมๆเขาบอกว่าเขาอยากเป็นพวกให้บ้างเอามาก็ถามกว่าเขาาบอกว่าเขาเองต้องมารับอย่างเนี้ยเขารู้สึกอายๆยังไงไม่รู้ อมาก็เลยต้องพูดคํานี้ไงพูดให้เขาเข้าใจว่าจริงๆเขาเป็นผู้ให้ยิ่งใหญ่ด้วยนะเพราะว่าทานกุศลกับศีลกุศลศีลกุศลสูงกว่าฐานกุศล น, นะ<ม>อะไรต่างๆเ น, นี้ยพยายามบอกเขาเนี่ยแหละก็เลยพอพูดอย่างนี้เขาก็บางคนเขาก็โอเข้าขใจแล้วเขาไม่เก้อเขินในการรับเองนะเขาก็น้อมมารับออกมาแบบโอ้หนีเห็นละชักใจ การที่เราฝากธนาคารหรือฝากไปมองไปรอบข้างตรงไหนก็ตามในภพชาติใดล้วนแต่มีสิ่งที่เราได้ขอให้คุณช่วยรับของเราเราฝากไว้ก่อนนะอะไรนี้เป็นต้นนี่ะ น, นะคะคล้ายๆอะไรอย่างนั้นน่ยนะคะเป็นการที่เร า, เาหาที่เก็บสเบียงของเราเมื่อถึงเวลาแล้วยามขาดแคลนเนี่ย ก็สามารถใช้ได้ทันท่วงทีเนี่ยก็เป็นเป็นอะไรวิธีการอย่างหนึ่งนะคะที่ที่จะส่งผลต่อการเดินทางในภพชาติของเราด้วยคือคือในกรณีในชั้นของคําสอนอย่างที่เราดูดูไปเราจะเห็นมุมที่ท่านให้ให้ความคิดเนะี่เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าช่วยขนของออกจากบ้านเราในขณะที่บ้านถูกไฟไหมไอตรงเนี้ยนะเรามองเห็นเออชัดเลยเนะี่ยผู้มารับขเข้ามาขนของ เพราะจริงๆเราถูกชาติภัยชราภัยมรณะภัยใช่ไหมพยาธิภัยไหม่ยอยู่เนี่ยฉะนั้นมีคนช่วยขนของออกจากบ้านให้แล้วก็ขนไปให้เรานั่นแหละจริงๆอย่างเงี้ยมันมองมองอย่างเงี้ยซึ่งท่านสามารถทําให้เรามองเห็นได้มองเห็นมุมเหล่านี้ได้ทําให้รู้สึกว่าโอ้น่าชื่นใจจริงในะวิธีคิดทําให้เราเห็นผลของบุญด้วยอะชราภัยเท่านั้นนะคะการให้เนี่ย เป็นการที่เรียกว่าช่วยตัดตัวกิเลสที่เรียกว่านนเป็นภัยอันหนึง่งการสละออกเนี่ยนนเป็นการที่เรียกว่าได้สร้างทรั์อย่างแท้จริงเลยหนึ่งซับนั้นเนี่ยก็จะรอกันให้ผลประการที่หนึ่งสองรั์นั้นขจัดตัวกิเลสที่มีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถึงการนําออกเนี่ยเป็นสิ่งที่นําออกเป็นเนี่ยเกิดประโยชน์อย่างยิ่งเจ้าค่ะในชั้นของ อัตกถ า, าในอนุปูพีกถ า, าท่านจะใช้คําว่าทําลายมนทินมนทินคือความตันหนีเป็นต้นท่านจะใช้คําอย่างนั้นมณฑินเนี่ยคือความตันหนีนะความตันหนีจะถูกทําลายไปแล้วอย่างหนึ่งก็คือว่าทานกุศลเนี่ยเป็นกําแพงเมืองเป็นกําแพงเมืองที่ศัตรูเข้ามาคือกําแพงเมืองที่มั่นคงแล้วฉะนั้นที่เรากําลังเจริญทานในกุศลเป็นต้นเราเนี่ยนะ ที่จริงเรากําลังสร้างกําแพงเมืองที่ดีให้กับตนเองเนี่ยต่อไปกิเลสทั้งหลายคือความตนหนีเป็นต้นเหล่าเนี้จะไม่เข้ามาทบจะไม่เข้ามาทําลายเมืองนี้ก็คือกระแสของนามธรรมานี้แหละแต่ตึ้งตอนนี้นามธรรมาของเราเนี่ยโดนทําลายอยู่เรื่อยเลยเ พ, เพราะเราสร้างเมืองไม่ค่อยแข็งแรงสร้างฐานกุศลไม่ค่อยแข็งแรงอา้าวใครแสดงทัศนะหน่อยอมีไหม อ้ามีใครหน่อยอ่ะยอมอีทตัวเนี้ยแสดงได้อย่า ง, งอ้าสองอีทนั่งเ้วยกัน <c oughs> โอ้โหนี่มาช้าพอดีเลยอย่างเงี้ยรีบส่งไม้ไปให้รือในข้างหลังเนี่ยยอมพิชยามาแล้วอ๋อ <c oughs> โอ้โ ห, <c oughs> โโหนี่มาสารภาพแล้วนี่ เลยให้คำไมอ๋อเลยดูไม่ทันแล้วดูไม่ทันแล้ว <X wreck ing> <laughs> คือคือถ้าสังเกติถ้าอย่างที้เรื่องทานนะุศสนก็เริ่มจะเริ่มจะมีมุมหลากหลายมากขึ้นแล้วเนี่ยมุมในการที่จะพิจารณาแล้วก็ไข้ควรก็เริ่มจะมีมุมดรอาทามีอะไรเพิ่มเติมไหม ตอนนี้เริ่มชัดเจนแค่ไหนอย่งอะไรเป็นที่ชัดเจนนะที่ฟังคนอื่นพูดเยอะหมดเลยวันนี้อออเอา้าไมพูดน่อยผูกพระเจตนารจคะเพราะทุกทีพอเห็นปุ๊บก็ไปเลย ม, มันจะเอาของไปก่อนที่จะตั้งคือคื อ, คอมีผูกพระเจตนารนนิดนึงค่ะมันน้อยไป <laughs> ตอนนี้คิดยังไงคิดว่าทําได้แล้วนะก็ก <laughs> <K> ็ฝ <K> ึกนะคะเพอเห็นความจะเริ่มยังไงดีทานกุศลจะเริ่มยังไงดี ก็ตั้งจิตคิดจะให้ไว้ก่อนลวงหน้าค่ะตั้งจิตคิดจะให้อย่างเช่นเมื่อกี้ก็นึกวันนี้ไม่ที่หลายๆคนแสดงทัศนามาน่ยชอบทัศนะาของใครมากที่สุดอ๋ <c oughs> อโอเจ้าของทุกคนเลยนะคะไม่ที่ดูแล้วดูเหมือนว่าเออเราจะฝึกมุมนี้ได้ง่ายอะ่ะก็จามไม่ได้ของใครนะคะแต่ว่ามุมของการที่จะเริ่มตั้งบุพเพเจตนาให้ยาวขึ้น นะคะอันนี้ค่ะแล้วก็แล้วก็ถ้ามีอคุศลแทรกก็หยุดพิจารณาซะก่อนแล้วค่อยทำอย่างอื่นต่อไม่ไม่ไปห่วงเรื่องอื่นเจ้าค่ะอันนั้นนะคะแล้วก็เห็นชัดเรื่องของการที่ยื้อระหว่างของรักเนี่ยเราเคยกลับจากต่างประเทศมีเงินเก็บมาห้าหมื่น <laughs> ต้องไปทำงานให้ยุพุทธิการสมาคมเขาก็เจ้าหน้าที่เขาก็มีตังตอนนั้นจิตอยากให้ค่ะว่าโอเคเราให้เลยพอหลังจากนั้นเริ่มตรณีอุยตั้งห้าหมื่ชนะแต่ให้ไปแล้วก็ยังจะเคยยื้อไปก็ยื้อมาในใจตัวเองแต่ว่าตอนที่ลั่นวาจาจิตขนาดนั้นเนี่ยเราให้อ๋อแต่ แต่ว่ายังไม่ทันให้ตอนนั้นยังไม่ทันให้ตอนนั้นเพราะหลังจากนั้นมันมันยื้อกันเป็นเวลายาวนานพระอาจารย์ที่มันจะทะเลาะกันเองว่ายังไงแล้วยังไงคือทะเลาะกับใจตัวเองค่ะในที่สุดก็ให้ไปค่ะตอนนี้พอพระอาจารย์พูดมันก็ย้อนนึกขึ้นมาอ๋อเราเห็นจิตที่ทะเลาะกันระหว่างของเราต่อสู้กันนะพระอาจารย์ตระแจริงๆแล้วการต่อสู้ที่ตอนไปยื่นให้จริงๆนั้นน่ะในใจนั้นชนะขาดเพื่ยังถึงได้ยื่นให้ ชนะไปแล้วค่ะแต่ตอนยังไม่ให้เนี่ยมันทะเลาะกันอยู่แล้วแล้วความภูมิใจมันเกิดไหมเมื่อชนะเกิดขึ้นหรือไม่ไม่น่าเท่าไหร่เดี๋ค่ะถ้าให้แบบกรณีเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างอันนั้นจะไม่ค่อยภูมิใจเพราะจริงๆให้ไปเพราะได้พูดก็เลยจะรักษารักษาคำพูดเลยแค่ยื่นให้แต่อใจความหวงนิดๆมันยังเหลืออยู่แต่ความชื่นใจมันเลยไม่ค่อยเกิดนะตรงนั้นนะความชื่นใจเลยไม่เกิด แตโยมเคยเมีอันนึงให้ฮะแล้วก็ทุกวันนี้ยังประทับใจแต่มันมันมันมจะใช่ฐานแบบคือไปที่วัดอัมพรวันแล้วหลวงพ่อจรันท่านท่านเดินออกมาท่านท่าทางท่านหิวน้ํามากๆนะคะโยมก็ไปหาน้ําเย็นๆมาแก้วภาพนี้หลายปีมากแล้วเป็นสิบยีสิปีแล้วค่ะ <c oughs> ก, ก็จําภาพเน้นได้ว่าเรารีบไปหาน้ําเย็นๆมาให้ท่านฉันแล้วท่านก็ดื่มหมดแก้วเรารู้สึก มีความสุขมากๆทุกวันนี้คิดทีไรก็มีความสุขทุกทีพระอาจารย์เนี่ยแค่นี้ค่ะตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ประทับใจมากว่าอ๋อไอ้จิตที่มันเป็นสุขว่าท่านท่านเหนื่อยท่านเหนื่อยแล้วท่านฉันน้ําหมดแก้วเลยท่านก็เทศต่อเนี่ยเรารู้สึกแบบเมื่าพรอาจารย์พูดถึงก็เลยเป็นอั ป, ปรา拉ร拉เจนซึ่งลืมไปแล้วก็มาเห็น <laughs> ลืมไปแล้วพระอาจารย์แต่นึกขึ้นมาทีไรก็ก็ ก็รู้สึกปลื้มใจว่าเราไปหาน้ำเย็นๆมาให้คนที่เขา <ๆ S 2> สามารถที่ปรุงแต่งกุศลจิตให้เกิดได้บางทีสภาพของตัววัตถุทานนะไม่ใช่มากมายเลยนะเขาก็จะสภาพใจที่เป็นบุญก็จะเกิดขึ้นได้แข็งแรงขึ้นนะเป้าหมายจริงๆทั้งหมดที่ได้กล่าวมาวัตถุทานมากมายอะไรก็แล้วแต่นี่นะเป้าหมายที่สุดก็คือว่าที่สุดก็คือมหากุศลที่เราปรารถนาที่จะให้เกิดขึ้น แล้วก็จะมีความต่อเนื่องมากขึ้นเกิดขึ้นได้ยาวมากขึ้นแล้วก็ในส่วนจริงสภาพของกุศล น, นั้นก็มีความแข็งแกร่ ง, งใช่ไหมชัดเจนเพราะกุศลที่เกิดขึ้นเนี่ยให้ผลมากกว่าตนใช่ไหมเป็นเบื้องต้นแห่งชานพิญญามรักผลเป็นต้นเหล่านี้ได้สภาพของกรรมและผลของกรรมก็ชัดเจนขึ้นตรงนี้ก็คือว่าฉะนั้นข้อมูลที่เราศึกษาคําสอนกันทั้งหมดเรา ห, หมายจริงๆว่าทํำยังไงในชีวิตจริงเนี่ย ในชีวิตจริงที่เราอยู่ในสิ่งแวดล้อมในสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ทําอารมณนะ์เนี่ยชีวิตจริงเราจะทําให้สภาพจิตของเราที่เป็นไปกับบุญได้ยาวๆได้อย่างไรสภาพมันอยู่ตรงนั้นแหละใครที่สามารถที่จะทําให้กุศล จ, จิตเกิดขึ้นได้อย่างยาวได้แล้วก็เป็นผู้ที่มีความเข้าใจในเรื่องต่างๆเหล่ า, า, านี้ได้แต่นี้ก็เริ่มชัดเจนขึ้นแล้วที่ส่วนจริงเนะี่ยการที่จะขัดกาไกายกรรมวจีกรรมธรรมโนกรรมให้เข้าถึงความสะอาด หมดจอดได้ซึ่งจะเป็นในชั้นของศีลกุศลน่ยมันจะถูกฝึกมาจากทานในกุศลนี่แหละเห็นไหมจะถูกฝึกมาจากทานกุศลนี่แหละท่านยังกล่าวไว้ไงว่าในชั้นของคําสอนเนี่ยยังกล่าวไว้ในชั้นของคําว่าศีลเนี่ยดั่ร่าที่ว่าเมื่อทานเนี่ยนะความยึดหนืองเป็นต้นเหล่านี้เกิดขึ้นมาแล้วท่านก็กล่าวเรื่องศีลต่อจากทานเพราะ ท่านกล่าวทานก่อนเพราะทานเนี่ยเกี่ยวข้องกับชนเป็นส่วนมากทําได้ง่ายโดยความเป็นอุบายและเป็นเบื้องต้นของความตั้งมั่นของกุศลศีลดังจะเห็นได้ว่าคนที่มักจะบริจาคทานย่อมจะสมาทานศีลได้ง่ายเพราะไม่ยึดติดในสิ่งที่ตนครอบครองและก็จะเป็นผู้ดํารงมั่นอยู่ในเจตนาศีลเป็นต้นเหล่านี้นะเจตสิกศีลสังวรศีล น, นวีติกามาศีลได้ศีลทําให้ผู้ให้และผู้รับนิบริสุทธิ์ คำว่าทําให้ผู้ให้และผู้รับบริสุทธิ์เนี่ยก็หมายความบอกว่าศีลเนี่ยถ้ามีผู้ให้ก็มีศีลผู้รับก็มีศีลเหล่านี้นะเนี่ยนะผลก็เกิดเยอะพระองค์จึงตรัสเรื่องศีลต่อจากทานแล้วก็ตรัสถึงการอนุเคราะห์ผู้อื่นก่อนแล้วจึงตรัสห้ามการเบียดเบียนผู้อื่นทานในเป็นเรื่องการอนุเคราะห์บุคคลอื่นเพราะอนุเคราะห์บุคคลอื่นเบเสร็จพระองค์ก็ตรัสเรื่องศีล ตรัดเรื่องศีลเพื่อเป็นการที่จะไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ไม่เบียดเบียนทรัพย์สินของเขาไม่เบียดเบียนคู่ครองเขาไม่เบียดเบียนคือการไปโกหกนะไปชื่อเบียดเบียนเขานี่หรือว่าไปทําให้เขาแตกสามัคคีไปเบียดเบียนเขาด้วยคำหยาบไปเบียดเบียนด้วยคําที่เพ้อเจ้อกล่าวสิ่งที่ไร้สาละ ไปเบียดเบียนขนาดทางใจก็คือไปโลภไปโกรธแล้วก็ไปเห็นผิดเนี่ยพระศาสดาตรัสถึงทานเป็นธรรมที่ควรบําเพ็ญก่อนจึงตรัสเรื่องศีลเป็นธรรมที่เป็นเครื่องงดเว้นเครื่องงดเว้นบาปรกรรมทางกายยัวาลวจีทวา น, วาวานใช่ไหมแต่ตัวกุศลศีลนั้นนะ่ะตั้งมั่นในใจใช่ไหมให้สังเกต ด, ดูตัวศีลเนี่ยที่ใช้คําว่าศีลนะเนี่ยมีอยู่สองความหมายที่ใช้คําว่า ให้กายกรรมวิจีกรรมไม่เกินกล่นไม่กระจัดกระจายไม่สร้างไปด้วยความทุศีลคือกายที่ทุศีนวาจาที่ทุศีลเป็นต้นเหล่านี้นะกายทุจริตวิจีทุจริตเป็นต้นเหล่านี้ยอีกความหมายหนึ่งเป็นสภาพที่ทรงไว้ซึ่งกุศลธรรมเบื้องสูงคือสมาธิระญญาเป็นต้นแต่ในสองความหมายนั้นเป้าหมายของศีนคือทําลายเลยกิจของศีลย่งจริงการงานของศีลทําลายความทุศีลผลปรากฏของศีนก็คือความที่กายสะอาดวาจาสะอาดแล้วก็ ใจสะอาดฉะนั้นเมื่อกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นไปกับความสะอาดแล้วเนี่ยจึงตรัสถึงศีลเป็นธรรมเป็นเครื่องงดเว้นงดเว้นจากบาปประทับทั้งหลายทางกายทางวาจายและก็ทางใจด้วยตรัสถึงเหตุแห่งโภคสมบัติและยศสมบัติก่อนแล้วจึงตรัสเหตุของพบสมบัติเป็นต้นถามว่าทานกุศลเป็นเหตุทําให้ได้ไรทําให้ได้โภคทรัพย์ ทำให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้ได้ยศถาบรรดาศักดิ์นีคนที่ได้โภค้ ส, สมบัติทั้งหลายได้ยศถาบรรดาศักดิ์ทั้งหลายมาจากทานกุศล <c oughs> ก็เลยตรัสศีลกุศลบอกว่าการสมบูรณ์แห่งภพชาติและการสิ้นภพชาติด้วยนี่นะการสมบูรณ์แห่งภพชาติการสิ้นภพชาติจริงๆเนี่ยจริงๆภพชาติจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ไม่ใช่แค่ทานอย่างเดียวนะต้องมีศีล เ, เป็นตัวหล่อเลี้ยงเป็นต้นด้วย แฉะนั้นศีลเนี่ยนะกระถาก็ดีน่ยคำพูดเนี่ยพระดำรัสที่แสดงคุณของศีลบอกว่าศีลเป็นที่อาศัยเป็นที่รองรับเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นที่ต้านทานเป็นที่หลีกเล้นเป็นที่ดําเนินไปเป็นที่พึ่งพิงศีลเป็นวงของเราทั้งหลายเหมือนทานไหมเหมือนทานใช่ั้ยที่บอกว่าเป็นที่ต้านทานเป็นที่หลีกเล้นเป็นที่ดาเนินเป็นที่พึ่งพิงของบุคคล พอถึงความเสื่อมเราทั้งหลายมีความเสื่อมนะชลาภัพยพญาธิภัยมรณะภัยเป็นต้นอันเนี้ยความพินาศจากภัยภายนอกเป็นต้นที่อาศัยที่รองรับที่ยึดเหนี่ยวที่ต้านทานที่หลีกเลีน้นที่ดําเนินไปที่พึ่งพิงในโลกนี้และโลกหน้าทิ้งเสอมอด้วยทานเอกุศลแต่ในนี้ท่านขับเน้นศีนลกลุศลย่อมไม่มีตรงนี้ก็คือว่าท่านพูดถึงในเรื่องของตัวศีลย่อม ท่านถึงใช้คำบอกว่าเครื่องประดับที่เสมอกับศีลก็ไม่มีดอกไม้ทิ่งเสมอกับดอกไม้คือศีลคือให้กลิ่นหอมนั่นเองศีลเนี่ยหอมไปทวนลมใช่ไหมเวลาท่านยกตัวอย่างพระมหาติสะที่ท่านบาเพ็ญด้วยอำนาจของศีลกุศลของท่านเนี่ยมายจะยกค่อนข้างบ่อยที่บอกว่าพระที่ท่านสมบูรณ์ด้วยศีลที่ไป น, นอนสลบอยู่ใต้ตนมะม่วง ที่มีอุบาสกท่านหนึ่งก็มาเห็นท่านนอนสลบอยู่แต่มีลูกมะม่วงหล่นเกลื่นกราดอยู่ก็เลยบีบน้ำมะม่วงกอกปากท่านแล้วท่านก็ฟื้นขึ้นมาก็เลยถามพระเทเรศทาไมท่านไม่กินลูกมะม่วงท่านจะได้มีกําลังจะได้ไม่สลบจะได้มีแรงท่านบอกว่าอุบาสกของสิ่งนี้ไม่มีใครประเคนอะต่มาเนี่ยนะโอ้ยบาศกก็โอ้ยนี่พระมีศีลก็เลยจับ อ้มพระเถระแบกส่บาแล้วก็เจ้เอาไปส่งถึงที่พระเถระก็ใคร่ควรพิจารณาถึงตั้งแต่ตนเองบวชมาจนถึงมาณวันเนี้ไม่เคยทําผิดศีลเลยนะี่นะกนะ็ใคร่ควรพิจารณาไปตามลําดับก็จเจริญศีลานุสตินั่นแหละยังปราโมดปิติพื้นพื้นใหญ่นะคนที่ทํากายส ะ, าาสะอาดใจสะอาดเนี่นะกายก็สะอาดวาจาก็สะอาดกายก็สะอาด กายวาจาใจในสะอาดหมดจดจากความเป็นผู้ทุศีน่าไม่ดงังไม่พ้อยเลยพอพิจารณาอย่างนี้ก็บอกว่าอุบาสกนี่ไม่ใช่พ่อเราไม่ใช่แม่เราไม่ใช่ญาติพี่น้องเราเลยเนี่ยเราไม่เคยรู้จักเลยนี่ทําไมก็มีอุปการะมากกับเราถึงเพียงนี้เนาะเนี่ยพอพิจารณาโอกุศลศีลที่พระบรมศาสดาทรงประทานเพราะเรามีทรัพย์สมบัติของพระผู้มีพรภาคเจ้านี่เองใช่ไหมมีมรดกคือธรรมามรดกนี่เอง อุบาสกนี้จึงอบัตการะถึงเพียงนี้เนี่ยพิจารณาเห็นคุณของพระศาสดาด้วยนั้อนื้เห็นคุณของศีลด้วยพระธรรมเห็นคุณของพระรยสงฆ์เป็นเต้นเหล่านี้ท่านก็เจริญนี่แหละสีลานุสติก็คือธรรมานั่นแหละเจริญพระธรรมนั่นเองธรรมานุตินั่นเองลึกถึงกุศลก็ยังปร r a m o ปีติปัสสธิความสุขโสมนัติเกิดแล้วสมาธิก็ตั้งมั่นเห็นไหมเป็นฐานของยถาภูฏายานั threats, primo, สทสนะท่านได้บรรลุบน no ขอของอุบาสกได้เลยนี่อเนื้อ yeah, yeah. อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยดูแล้วก็คือว่าเราได้บำเพ็ญศีลในอัจภาพมากมายเนะ้สะวยพระชาติเป็นสังกปารนาขราชภูริทัตตะนาคราชจำเปยยาการนาคราชเป็นพระเจ้าศีระวะเป็นพญาช้างที่เลี้ยงดูมารดาจำได้ไหมเลี้ยงดูมารดาใช่ไหทั้งๆ ท, ที่ตนเองเป็นช้างที่มีทรงกาลังอย่างมากมาย แต่ก็ไม่ทําร้ายใครเนะี่ยแต่เขาเอาอาหารไปให้ก็ไม่ยอมกินนะนเพราะตนเองจะต้องให้อาหารแก่มารดาก่อนนะพญาช้างฉัาดทันเนะี่ยดูดิเนะนี่ยศีลรักษาศีลดังนั้นนะโดนยิงจนขนาดนั้นนะนะโดนแทงขนาดนั้นนะี่ยทำไมท่านไม่โกรธเพราะท่านกลัวศีลของท่านจะแตกอทําไมเราต้องกล้าโุดหงิด เออพราะเราเนี่ยไม่ไม่รักศีลไงใช่ไหมพอเจอลูกศิษย์ว่าก็งดหิดใช่ไหมยอะตด้ดาโกรธงดหิิ ด, ดัดดนะลูกศิษย์นะนะอันนี้เพราะอะไรไม่ใช่เพราะเราไม่รักศีลเท่ากับพระโพธิสัตว์ที่ท่านรักใช่ไหมเราไปเห็นว่าเขาไม่ได้ด่าเลยเราเป็นอาจารย์ใช่ไห ม, มแปลว่าเขาหมดศรัทธานในอาจารย์ไปแล้วใช่ไห ม, มเขาจึงกล้าตําหนิอาจารย์ใช่ไหม เราคิดอย่างนั้นเนี่ยเราก็เลยน้อยใจว่าเออแต่ก่อนก็คุยกับเราดีเขาเคารพเขาเชื่อฟังเรามาวันนี้เขาโต้แย้งเราหนักๆใช้คำพูดหนักๆบางทีใช้พรุศว่าดกับเราเนี่ยนะเพราะวาระนั้นจริงๆเพราะเราไม่รักศีลมากกว่าศักดิ์ศรีความเป็นอาจารย์ <c oughs> ใช่ความเป็นอาจารย์เนี่ยนี่ไง มันเป็นโท ษ, โทษใช่ไหมอันนี้เป็นอะไรเนี่ยถ้าพูดถึงเป็นอะไรดีเป็นโลกามิตร <c oughs> ใช่ไหมเป็นโลกามิตรเป็นโลกเขาสมมุติกันเนี่ยเขาเรียกกันอย่างนั้นแหละอาจารย์อาจารย์เนี่ยถ้าเราไปตั้งอัธยาสายเมนตามานเนี่ยนะถ้าไปตั้งตนเองบอกว่าบวชมาเพื่อจะเป็นอาจารย์เนี่ยมาคิดผิดทันทีคิดผิดเลยน่เข้านเข้าเนี่ยพอโดน ไอตอนพอโดนเคารพนับถือก็จะยินดีเพลิดเพลินใช่ไหมพอไปโดนตำหนิโดนต่อว่าขึ้นมาก็จะโกรธ <c oughs> น้อยใจบอกแหมเขาไม่น่าเลยใช่ไหมญายิวรแหมไม่น่าลูกไม่น่าว่าพ่อใช่ไหมทาไมพ่อจะไปไหว้พระเจ้าก็ไหา้เล ย, ยสมมติไงเนะี <c> ่ย <oughs> ใช่ไหมเ <c oughs> <c oughs> นี่ยไอความที่เราไปติดคำว่า อาจารย์บ้างคําไปติดคือไปยึดมากเกินไปไงไปยึดต้องพิจารณาบ่อยๆไหมเอาศีลไว้อย่าให้ศีลถูกคลอนแคลนอย่าให้ท่านกลัวศีลของท่านจะแตกศีลจะถูกทําลายท่านก็เลยไม่ยอมเสียหายนะตอนเป็นพระนาคราดโอ้โหโดนตอนเป็นเป็นนาคราเป็นพญานาคเนี่ยมาบําเพ็ญอุโบสถศีลนี่ย น, นะบำเพ็ญศีลบารมีเนะี่ย รักศีลมากๆเลยอ่านแล้วสะเทือนใจจริงนะมาสะเทือนใจตอนที่โดนโดนมนก็ไปเพราว่าต่อมาก็โดนกระทืบแล้วก็โดนบีบที่ปากแล้วก็พ่นในยาใส่ปากแล้วก็ฟันหักหมดเลือดกลบอะไรเงี้ยนะหรือตอนที่โดนแทงจนเป็นรูทะลุทะลุแล้วก็ถูกร้อยลากไปตามถนน ท่านก็รักศีลของท่านรักโพธิญาณของท่านอย่างนี้นะท่านถึงใช้คําว่าเป็นวงของเราไงเป็นวงของเราที่อาศัยแห่งสมบัติในโลกนี้และโลกหน้าที่รองรับที่ยึดเหนี่ยวที่ต้านทานที่หล็กเล้นที่ดําเนินไปที่พึ่งพิงซึ่งเสมอกับศีลย่อมไม่มีเครื่องประดับเสมอเหมือนกับเครื่องประดับคือศีลก็ไม่มีดอกไม้ ซึ่งเสมอกับดอกไม้คือศีลก็ย่อมไม่มีของหอมซึ่งเสมอกับของหอมคือศีน์สีนี้ทวน ล, ลมเนะืหอมทวนลมดูที่พระอริยะทั้งหลายท่านบรรลุใช่ไหมที่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยมากันเต็มเป็นแถวใครก็อยากอุปถัมภ์หอมไปทวนลมเพราะชาโลกพร้อมทั้งเทวดาแม้จะทอดสายตาดูประดับเครื่องประดับคือศีล ทัดดอกไม้คือศีลรูปไร้ของหอมคือศีลอยู่ก็ย่อมไม่ถึงความอิ่มใจอ้ยเวลาคนมบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยมองคนที่งามด้วยศีลเนี่ยนะเวลามองคนที่เขางดงามด้วยเครื่องประดับคือศีลนศนีลนี่เป็นเครื่องประดับกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะโดยเฉพาะกายกับวาจาเนี่ยเครื่องประดับที่งดงามที่สุดเครื่องประดับอย่างอื่นนะั้นะไม่งดงดงามเลยไม่ใช่งามเฉพาะปัจจุบันในพบเนี่ยนะ งามที่เป็นไปในพบต่อต่ อ, ตอไปด้วยใช่ไหมฉะนั้นส่วนในรายละเอียดของในชั้นของศีนั่นกล่าวไว้ในคำพีจริยาปีดกหรือในคำพีอื่นค่อนข้างที่จะเยอะมากวันนี้หมดเวลาแล้วมั้นี้สามโมงน่หมดเวลาเลยเนี่ยเขามีอะไรต่อกันอยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปดูนี่ก็หมดเวลาเลยอุทิศส่วนกุศลกันหน่อยเนาะ